ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเชียงธรรมจากมาวิตรัยศรีปทุมในวันนี้คงพูดเรื่องสัมมาชิิสูตรสึบต่อจากที่ได้กล่าวไว้ในวันก่อนวันก่อนพระสาริบุตรเถระได้จำแนกกุศลกับอกุศลพร้อมด้วยรากงา แล้วก็ผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินชีวิตไปภายใต้การครอบงำของอกุศลและภายใต้การปรุงแต่งของกุศลเพียมหน่วยผลแตกต่างกันโดยเฉพาะที่เป็นระดับพระียบุคคลที่มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรง ประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่โคลนแครนมาสู่พระสัทธธรรมนี้ก็เพราะการดำเนินชีวิตตามกระแสของกุศลพระที่ฟังอยู่ก็ต้องการจะทราบความพิสดารออกไปเพราะการแสดงธรรมโดยประยายอย่างนี้ตามปกติก็ไม่ค่อยแสดงเพราะว่ามันยาว เราเรียกว่าเป็นวาระตั้นก็เริ่มที่อาหารวาระภาษาดิบุตรกล่าวว่ายังมีคุณแล้วได้กล่าวคํานี้ว่าเพราะเหตุที่อริยสาวกรู้ชัดอาหารเหตุเกิดของอาหารความดับแผงอาหารและครอบปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับแผงอาหาร คือก็หมายความว่าเป็นโครงสร้างของอริยศาสตร์สี่นั่นเองอาหารก็คือทุกข์สัตว์ความเกิดขึ้นแห่งอาหารก็คือสมุทัยศาสต์ความดับแห่งอาหารก็คือนิโรธศาสตร์ข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับไปแห่งอาหารก็คือมรรคสัตว์แต่ว่าชีวิตของสัตว์โลกเนี่ยมันอยู่ได้ดยอาหาร วันแมระหารทั้งหลายก็ต้องอยู่ได้ด้วยอาหารและก็เกี่ยวข้องกับอาหารเหล่านั้นที่พระเจ้าทรงจำแนกไว้เป็นสี่ประเภทมันก็หมดโลกแล้วนะก็มีอยู่สี่ประเภทเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าจิตไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในอาหารเหล่านั้น ไม่บริโภคอาหารเหล่านั้นหรือเกี่ยวข้องกับอาหารเหล่านั้นด้วยแรงดันของกิเลสแต่ถามมาสัมผัสไหมก็สัมผัสทูตเจ้าเองก็เสด็จออกบินธบาตพระหานเองก็เสด็จออกบินธบาติก็ด้วยร่างกายยังเป็นวิบากขัน คือร่างกายมันเกิดมาจากอวิชชาสังขารวิญญาณแล้วก็เป็นนามรูปเป็นนายตนะเป็นผัสสะไปเรื่อยๆนะครับาตามกระบวนการของปฏิจจสมบัติเพราะในเรื่องอาหารเนี่ยคำว่าดับคือดับความยึดมัน่นถึงมันอยากกินอย่างนั้นอยากกินอย่างนี้อยากกินอย่างโน้นเป็นต้นแต่ไม่ได้หมายความว่า ถ้อไม่มีสิ่งเหล่านี้ทีนี้ในส่วนอริยสัต์นั้นเราจะเห็นว่าออทุกเวลาดับก็ไม่มีสมุทัยเวลาดับก็ไม่มีนิโรธเวลาดับก็ไม่มีทุกข์กับสมุทยัยมักนั้นเป็นมรรคิธีที่จะดาเนินไปสู่ความดับ ทั้งทุกและสมุทยัยก็แน่นอนถ้ายังไม่สมบูรณ์มันก็ยังมีทุกอยู่ยังมีสมุทัยอยู่ระดับหนึ่งเสมอแต่เมื่อถึงจุดที่สมบูรณ์ก็เรียกว่าจบกันคือหมดสิ้นกันทีนี้ถ้าก็ตั้งประเด็นแบบสื่อสองทางคือสนทนาแต่ว่า คำถามบางอย่างนี่ถามเพื่อจะตอบเสีเองเพราะบางทีพระที่นั่งฟังมากๆเนี่ยท่านก็ตอบไม่ได้ขืนซักไซบังคับให้ท่านตอบท่านก็ลายฟังการอธิบายเสเองถามว่าต้นหลายอาหารคืออะไร เ, เกิดแห่งอาหาร ความดับแห่งอาหารและข้อปฏิบัติไี้ถึงสมความดับไปแห่งอาหารนันคืออะไรทั้งหลายอาหารนั้นมีสี่สี่อย่างเหล่านี้ย่อมมีเพื่อสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วดำรงชีพยอยู่ต่อไปอยู่ได้หมายความว่าสบเบสตาอาหารรัติทิกะสัตว์ทั้งหลายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะอาหารแต่พอเราพูดอาหารครบสี่อย่างนี้ ก็เรียกว่าขาดอาหารแม้ระยะสั้นๆก็ไม่ได้ละอาหารบางอย่างเราขาดระยะสั้นๆก็ไม่ได้แต่ว่าแม้แต่อาหารที่เรารับประทานเข้าไปดื่มริมชิมเข้าไปเราก็อาจจะรู้สึกว่าขาดเป็นระยะแต่ท้ายทีจริงส่วนหนึ่งมันก็ยังมีอยู่ในท้องคือยังย่อยไม่หมด เป็ น, นี้อาหารบางอย่างนในสี่ประการนั้นเมื่อพระเทราชแนกออกไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนะคืออาหารสี่นี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมาเองที่ภาษารีบุตรแสดงแน่นอนมันก็ต้องตรงกับพระพุทธเจ้าทุกๆคำพระราหนั้นท่านเคารพในพระสัจธรรม หมายความวาอะไรพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างไรท่านก็แสดงอย่างนั้นก็โดยพระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ไม่ทรงแสดงท่านก็ตอบว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าไม่ส่งพยากรเพราะท่า น, ก, านาา ก, ก็ไม่อธิบายแต่ว่ามันมีพระพุทธดํารัสที่พุทธเจ้ารับสั่งให้ ภิกษุทั้งหลายเรียนพระบาลีพุทธวจนะด้วยภาษาของตนแล้วก็เวลานาไปสื่อสารนําไปเผยแพร่ก็ใช้ภาษาของตนได้อย่างพระไทยก็เทศเป็นภาษาไทยพระพม่า ก, ก็เทศเป็นภาษาพมา่าพระเวียดนามพระจีนอะไรท่านก็เทศใยภาษาของท่านทั้งนั้นธรรมะมันจะไปตรงกันที่เนื้อหาของคําคํานั้น แต่คบมันไม่ตรงกันเราพระคบไม่คาสมมติหรอกแต่เนื้อหานั้นคือสัจธรรมที่แท้จริงคือข้อยุติที่แท้จริงพระเทระจริงแสดงต่อไปว่าหรือเพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายหมายความว่าอาหารทั้งหลายนี่เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายที่กำลังแสวงหาที่เกิด คือสาทิสแหวงหาที่เกิดที่เรามักจะเรียกว่าสัมภเวสีแล้วก็ไปตีความว่าคนที่ตายแล้วยังไม่ไปเกิดก็เรียกว่ายังเป็นสัมภเวสีอยู่ที่จริงโดยความหมายไม่ใช่เป็นอย่างนั้นหมายความมายกเว้นพระอระหรันนอกนั้นเป็นสัมภเวสี หมายความว่าเป็นพระสัมพเวสีตั้งแต่พระนาคามีลงมาจนถึงเนี้ยผู้อบายทั้งหลายเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายเทพทั้งหลายพรหมทั้งหลายผู้อบายทั้งหลายก็ล้วนแล้วแต่เป็นสัมพเวสีทั้งนั้นหมายความว่ายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังน้อยหนึ่งชาติ เวลาเราเจอบาลีเนี่ยเราเจอเจ อ, เจ อ, เ, จอเจอคําว่าปุตะตะกับสัมภเวสีแต่เจอคําท้องคํานี้ติดอยู่ต่อกันปุตตะหมายถึงพระอรหันต์นอกนั้นก็หมายถึงสัมภเวสีนคนๆที่ยังเป็นสัมภเวสียังสบแหวงหาพบดูยังบแหวงหาที่เกิดอยู่ก็ ต้องดำรงชีพยอยู่ด้วยอาหารปนอาหารจรึงทาหน้าที่อนุเคราะห์ต่อสัตว์โลกที่ยังเวียนว้แต่เกิดจุกดังนั้นพระเทราก็อธิบายว่าอาหารสี่คืออะไรคือหนึ่งกาวลิงกาลอาหารอาหารที่เราต้องกินต้อง ลิมต้องชิมเข้าไปต้องดื่มพูดทั้งงา่าวกินดื่มที่ต้องเคี่ยวด้วยเนี่ยเราเรียกว่ากินที่ดื่มไปเลยเราก็เรียกว่าดื่มตามปกติเราก็ใช้ในกรณีของพวกน้ำๆเนี่ยเราก็เรียกว่าดื่มพวกที่เป็นคำๆหรือว่าต้องทำให้เป็นคำเราก็เรียกว่ากิน แล้วก็มีการเคี่ยวด้วยตกลงว่าที่กินดื่มเข้าไปเนี่ยรวมเรียกว่าเป็นเกาลิงกราหารแทนแปลทับศัพท์ง่ายๆว่าอาหารคือข้ามข้าวที่กิงคําข้าวมันก็แค่ไปนะฮะคนพูดเฉพาะประเทศที่กินข้าวจะเป็นขนมปังจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะมันก็เป็นขำเดียกันทั้งนั้น สิ่อาหารพวกนี้ในแง่ของความจริงแล้วก็คือกลุ่มของทุกขสัตว์มันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยต่างๆอย่างที่เราเห็นอาหารถ้วยหนึ่งเนี่ยก็มีส่วนประกอบเยอะมีเครื่องปรุงเยอะส่วนหนึ่งก็เป็นผลิผลโดยธรรมชาติของมันส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นมาจากการปรุงแต่งของมนุษย์ขึ้น หมายความว่าปรุงแรงธรรมชาตินั่นแหละให้มีรสเป็นที่ถูกอกถูกใจตัวเองตอนนี้มีข่าวที่น่าสังเกตอย่างนี้นได้ยินบ่อยนะเป็นเรื่องราวคล้ายๆกับเป็นแฟชั่นที่แข่งขันกันหมายความว่านําเสนอทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจ ก็เรียกว่าธรรมารุปแม้แต่สแตมแม้แต่แม้แต่อาหารแม้แต่เสื้อผ้าแม้แต่กระเป๋ า, า อ, ะ อ, อะไรต่างๆนี่ต่อไปก็จะขายหมดคือทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิน่นทั้งรสทั้งสัมผัสแล้วเมื่อครบก็เป็นที่พอใจของคนทั้งหลายแต่ไงความจริงแล้วโลกมันก็ต่อสู้กันมาอย่างนี้ตั้งแต่โบราณนั่นแหละ พวกเหล่านี้เรียกว่าวัตถุกาวัตถุเป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดเป็นที่ดำรงอยู่ของความใคร่ตัววัตถุนไม่ใคร่เราแต่ใจเราไปกำหนดมันน่าใคร่ใจเราไปกำหนดว่ารูปนี้สวยเสียงนี้ไพเราะกลิน่นนี้หอมรสนี้อร่อยสัมผัสนี้น่าจะต้องเรื่องนี้น่าคิด ก็หมกบุนคุณกิจอย่าเรื่องเหล่านี้ก็เรียกว่ากาบมะคุณบางทีก็เรียกว่าพวงดอกไม้แห่งมานบางทีก็เรียกว่าบวกมานบางทีก็เรียกว่าเครื่องผูกก็แล้วแต่เพราะจะเรียกอย่างไรนี่เราเนื้อเทียนภาพได้ว่าโดยสภาพของเขาแล้วก็เป็นอย่างที่ท่านเรียกนะั่นแหละ เรียกยังไงก็ถูกด้วยกันตอนกาวลิงกะลาหานมันก็อยู่ในกลุ่มของทุกขสษัตริย์ได้ลองลองสังเกตว่าหนึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยสองมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่คือดำรงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แล้วก็ถูกแบดเผาด้วยปัจจัยทั้งภายในภายนอกจากเย็นเป็นร้อนจากร้อนเป็นเย็น ก็ถูกแผดเผาบางทีก็แผดเผาด้วยการเวลาร้อนพอผ่านการเวลาไปมันก็เย็นเย็นพอไปสัมผัสก็ร้อนเข้ามันก็ร้อนก็สรุปว่าเปลี่ยนแปลกไปตามเหตุปัจจัยของมันทีนี้อาหารพวกนี้มันก็มีทั้งหยาบหรือละเอียดหยาบก็ได้ละเอียดก็ได้ พัฒษาหานอาหารคือสัมผัสสัมผัสทางไรละ่ะทางตาทางหูทางจ ม, มูกทางลิ้นทางกายทางใจมันเป็นกระบวนการสัมผัสอารมณ์ในแต่ละขณะของเราเช่นตาเห็นรูปก็เรียกว่าจาักขูวิญญาณคือความรู้รูปถึงเกิดขึ้นทางตา อาศัยรูปอาศัยตาอาศัยบิน ญ, ญารวมกันก็เป็นผัสสะคือการกระทบกระทบก็ถึงใจใจมันเกิดความพอใจหรือไม่พอใจจากนั้นก็จะเกิดเป็นเวทนาคือจิตที่สเสวยอารมณ์ถ้าพอใจก็เป็นสุขถ้าไม่พอใจก็เป็นทุกข์าเฉยๆก็เฉยๆ แล้วก็นําไปสู่ตัญหาตามสุมควรแก่จิตที่กําหนดสัมผัสเหล่านั้นพรเราเห็นว่าเราก็อยู่ในสัมผัสแหลกิเลสมันก็เกิดด้วยสัมผัสก็ เ, เป็นอาหารใจอย่างหนึ่งธรรมะมันก็เกิดจากสัมผัสก็ เ, เป็นอาหารใจอย่างหนึ่งเพราะว่า อาหารแปลคำกลางๆง่ายๆว่ามันนำผลมาเนี่ยผลบวกหรือลบก็ไม่รู้บวกก็ได้ลบก็ได้เดี๋ยวทุกอย่างจะนำผลมา น, นี่เรียกว่าภาษาอาหารอาาคือภาษาภาษาเป็นอะไรล่ะก็เป็นทุกข์กษัตริย์นั่ น, นเอปัจจัยที่เกิดเราก็เห็นได้ชัดแล้วว่า มันมาจากอายตนาภายในภายนอกกระทบกันเกิดเป็นวิญญาณแล้วก็รวมกันสามอย่างนี่เกิดเป็นผัสสะหรือสัมผัสตามปกติเราจะเรียกว่าสัมผัสแต่บาลีจริงๆเรียกว่าสัมผัสก็มีนะฮะผัสสะเฉยๆก็มีนี่ก็เป็นอาหารอีกชนิดนึงที่เราต้องสัมผัสอยู่ทุกวัน ทีนี้มองกลับไปที่ภรรยะสาวุกที่มีความหมิ่นชอบมีความหมิ่นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่งอนแง่นไม่ครแขระมาสู่พระสัทธรรมนี้ท่านดับระดับอาหารได้แต่การดับของท่านไม่ได้หมายความว่าท่านไม่มีสัมผัส เพียงแต่ว่าเห็นก็เห็นสัมผัสก็สักแต่ว่าสัมผัสรูปก็สักแต่ว่ารูปตาก็สักแต่ว่าตาหูก็สักแต่ว่าหูเสียงก็สักแต่ว่าเสียงมันไม่มีกิเลสมาปรุงคิดคิดปรุงให้เกิดกิดเลสพระเจ้าก็ได้ยินเสียงเหมือนกันหมดแหละครูเจ้าเสือทิพย์ด้วยทำไปได้ยินเสียงทิพย์ด้วไป แต่ว่าทรงรู้เสียงนั้นด้วยพระปัญญาที่สมบูรณ์แล้วก็นำไปสู่ความการุณาต้องการาในเช่้เหลือคือกูลแก่บุคคลที่ทรงได้ยินโดยการเสด็จไปเทศโปรดเป็นตนอันนี้ก็เป็นอาหารคือนำมาทั้งบวกทั้งลบเหมือนกัน มโนสัญเจตนาหารคือเจตจำนงความจงใจคิดจงใจทําจงใจพูดไอตัวจงใจอะนะตัวจงใจตัวเจตนาตัวจงใจเนี่ยเช่นสมมติว่าคนที่มีบุญบารมีพอก่อนจะดับจิตมีมโนสัญเจตนาหารก็คือ อีกอย่างหนึ่งว่ากรร ม, มารมฺมกรมมนิมิตารมฺมคตินิมิตารมฺมนะเอากรร ม, มารม์กรมกับกรรมนิมิตารมนะฺมมันก็คือตัวกรรมนั่นเองแต่เป็นทั้งกุศลเป็นทั้งอกุศลโปรแก ร, รมที่นําไปสู่พบเนี่ยไปเยอะนะฮะขึ้นไปถึงพระอนาค า, ามีอย่างที่ว่าจริงแต่ว่าระดับบนไม่ค่อยเรียกกรรมเรียกว่ากุศลเท่านั้นเอง เปเรียกฌานอกุศลฐานอกุศลสีอกุศลปัญญากุศลก็เรียกเรียกเป็นกุศลไปแต่ก็คือกันนั่นแหละก็คือกรรมเดียกันพัวที้ก็นำผลมาปรมโนสังเกตานอาหารคืออาหารที่เกิดขึ้นจากเจตจำนงความมุ่งมั่นภายในใจอยากทำใิกเกอดวัสด เทวดามาชืนให้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นของตนของตนมากันหมดท่านเลยก็ล่าลางไม่รู้จะเอาไหนดีก่อนจะตัดสินใจท่านก็ถามลูกว่าพ่อควรจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นไหนดีลูกก็แนะนำว่าไปสวรรค์ชั้นลุสิดเดี๋ยพอท่านก็สั่งเสียเรียบร้อยแล้วก็ ตั้งกิจเจตจำนงไปบังเกิดในชั้นดุสิตท่านก็ไปเกิดในชั้นดุสิตหรือพระเจ้าพิมพิสารมีเจตจำนงที่จะไปเกิดเป็นเป็จยักษ์ชื่อชนะวสภะในสวรรค์ชั้นจัตุมาราท่านก็ไปอนาถบินติกาเศรษฐีต้องการไปเกิดเป็นเทวดาที่ชั้นดาวดึงท่านก็ไปกันท่าน แต่ว่ามันมีพลังของกุศลมากพอที่จะไปไม่ใช่ว่ามนุษย์สัเจตนาหารพอตั้งใจแล้วไปทายมันไม่ใช่คือมันต้องมีภูมิหลังอยู่อย่างคนที่ต้องการจะสำเร็จปัญญาตรีเนี่ยไเจต จ, จำนงมุ่งมั่นที่จะให้สำเร็จเนี่ยมันก็ทำได้ในปีที่สี่ ในเสิมสุดท้ายนะะทำได้แต่ว่าในตอนตอน้ตนๆมันก็เพียงในตั้งใจเฉยๆแต่ยังต้องเรียนอีกเยอะยังต้องผ่านการเวลาอีกเยอะแต่ก็เจตนาเหมือนกันนะเกิดเป็นเจตนาที่นี้ประการต่อไปวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณวิญญาณในที่นี้ อาจจะหมายถึงวิญญาณขันก็คือการวิญญาณในขันห้านะฮะวิญญาณในขันห้าแล้วก็ปฏิสนธิวิญญาณก็ไปด้วยกันแต่ทีนี้พอดีปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยมันมันมันไปอยู่กั บ, กบมนุษย์เจตนาหารแล้วตอนตรงนี้จะกลายเป็นวิญญาณขัน ปัญญาณที่เรารู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้เย็นร้อนแข็งเนี่ยมั น, น, ก, นก็นํำผลมาทางนั้นเนี่ยพอใจไม่พอใจมันเกิดความรู้สึกดีบ้างไม่ดีบ้างอยู่อย่างนั้นทีนี้อาการที่พวกนี้มันเกิดมันเกิดมันดับเนี่ยอย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่ามันก็เกิดแก่พระย บ, บุคคลทั้งสี่อย่างนั่นแหละแต่พระยบุคคลท่านไม่มีตัณหา ทนามีตัณหามันก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าอาหารอะไรก็ได้ท่านเรียกว่ายาปนามัตต์ต่างคือยังอัตภาพไปเป็นไปได้ก็พอแล้วไม่ได้ติดใจสนใจใส่ใจตกแต่งรูเสียงกลิ่นรสให้หน่าใคร่น่าปรารถนาน้าพอใจอะไร ทีนี้พระเถรกักอธิบายต่อว่ามันเป็นปัจจัยของกันอะไรกันเพราะตัหามันเกิดตัณหาเนี่ยมันก็จำแนกเป็นสามอย่างที่เราผ่านมาเยอะเป็นการแสดงถึงกิเลสทั้งสามกองนั่นแหละโลกกดลงนั่นแหละ แต่าการที่เด่นชัดเนี่ยก็คืออาการของโลภะกับอาการของโทสะแต่ทีนี้ถ้าถามมาจิตที่มีโลภะจิตที่มีโทสะเนี่ยมันมีโมหะหรือเปล่ามันก็มีอะเมื่อก่อนดูขา่าอยู่ข่าอย่างนึกขำมาเออคนนี่แปลมีร้านอาหารที่เขาขายอาหาร อิ่มหนึ่งอาหารหรูใช่ด้วยที่ละหนึ่งบาทตอนชาหนึ่งบาทตอนค่ำนี่สองบาทแต่ว่าจะให้แก่คนสิบคนแรกที่มารอปรากฏว่าคนบางคนมารอทั้งสามชั่วโมงเพื่อจะกินอาหารราคาถูก แต่แกไม่เนื้อเวนึกเว้แลลวเวลาสามชั่วโมงที่แกเสียไปรวมตังค่ารถค่าอะไรเนะี่ยเวลาด้วยค่ารถด้วยแล้วค่าจะเดินทางกลับด้วยอะไรต่างๆมัช่ายเยอะเลยแต่ว่ารู้สึกว่าได้กินอาหารถูกโดยไม่ได้คิดถึงก่อนที่จะได้กินและหลังจะกินบารวมไปเสร็จแล้วนี่ขาดทุนนะ เวลาสามชั่วโมงนี่ทำอะไรได้เยอะแล้วก็ได้มากกว่าอาหารเหล่านั้นได้ซ้ำไปลองคิดแรงงานเป็นชั่วโมงลองดูสิคสามชั่วโมงนี่กี่บาทแต่เราก็ไปคิดด้วยอำนาจของความโลภ ก, ก็หมายความมีความหลงอยู่ก็ตัญหาในอาหาร แต่เพราะขาดความรอบคอบไม่ได้มองว่าเราถูกก็ถูกยัว่วถูกยั่วอยากเฉยเชยก็แค่สิทคนปรากฏว่ามาเข้ารอคิวกันก่อนแล้วก็เกินโควตาทุกทีพอเกินโควตา้ามันก็ต้องซื้อของตามราคาจริงๆไม่ใช่ราคาลด เป็นวิธีการทางการตลาดใช้การประชาสัมพันธ์การลดแรกแจกแถมต่างๆมันก็ไม่เคยเปลี่ยนวิธีหรอกแต่ว่าทำยังไงให้ผู้บริโภครู้สึกว่าตัวเองจ่ายน้อยแลว้วก็ได้มากขนาด น, นี้พอความโลภมันเกิดขึ้นมันก็ปิดบางเหตุผลสติปัญญาทำให้เราไม่ได้คิดได้รอบครอบ เลยก็ตกเป็นเหยือ่อเพวกเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นมาจากตามปมาัญหาทีนี้ปัญหาพอมันเกิดแล้วนี่อาหารก็ต้องเกิดเพรอย่างที่บอกแล้ ว, วาอาหารนั้นเป็นทุกขศาสตร์ปัญหานั้นเป็นสมุทัยศาสต ร, ร์สมุทัยศาสต ร, ร์เกิด ความทุกข์ก็ต้องเกิดทีนี้อย่าลืมว่าพวกนี้ใครเป็นปัจจัยของอะไรก่อนก็ได้เช่นสมมุติว่าเราเคยรับประทานอาหารอย่างหนึ่งแล้วก็เกิดชอบใจพอเกิดชอบใจก็อยากจะรับประทานหมายความว่ายัางไงหมายความว่าในขณะนี้อาหารมันเกิดไม่ใช่ตัณหามันเกิดก่อน แล้วก็ความรับประทานนะเกิดทีหลังแต่ทีนี้โดยทั่วไปก็อาหารไม่จะเกิดก่อนแล้วก็ตระหนักวเกิดเกิดไม่ใช่ตระหนัเกิดก่อนนะตนระหนัก่เกิดก่อนแล้วการซื้อการรับประทานอาหารก็จะตามมาเพ้ตาตระหนักก็เกิดก่อนทุก แต่บางทีตัวทุกข์นั่นแหละกระตุนน้นให้เกิดตัะหาต่อที่อาศัยความสรงจาต่างๆคนเราชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นตามความคุ้นเคยตามความเคยชินตามที่ได้สะสมความชอบความ พ, พอใจในสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ ทีนี้เพราะตันหามันดับไม่อยากกินแล้วอาหารชนดิดนี้ไม่อยากกินแล้วไม่อยากกินอาหารมันก็ดับหรือว่ากินแต่ไม่ยินดีอะไรความติดใจในรสชาติอาหารมันก็ดับการรับประทานนั้นเป็นการใส่น้ำมันเครื่องยนต์น ให้เครื่องยนต์มันเดินได้เครื่องยนต์มันก็ไม่ยินดีอะไรแต่มันก็ขาดอาหารไม่ได้ทีนี้อริยมรรคเปองค์แปดนี้เท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาหารคือจากนั้นพระเถระก็อธิบายเรื่องอริยมรรคเป็นองค์แปดประการอริยมรรคเป็นองค์แปดประการเนี่ยมันค่อนข้างมีปัญหา บางทีเราไปแปลว่าถูกต้องบางทีเราแปลว่าชอบทีนี้ครูบาอาจารย์แน่ดีนี่ท่านแปลว่าสัมมาทิฏฐิคือตัวสัมมานี่แปลว่าชอบอยู่แล้วชอบด้วยธรรมยุติด้วยธรรมยุติด้วยเหตุด้วยผล ไอ้ถูกตอนน้องนี่มันไม่รู้อะไรเหมือนกันบางทีก็ก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันแต่เราก็ใช้เวลาเนี่ยพบเอกสารรุ่นหลังนี่มีเยอะที่ไปแปรสช่ใหม่คือถ้าเราจะสืบสารสิ่งที่บุรพาจา a ์ในอดีต ท, ท่านแปรมาแล้วก็ไม่เกิดเป็นความขัดแยง้งไปถกเถียงกันเด้ เรามาเรียนใหม่ไปไอ้ น, นี้มันแปลว่าชอบหรือว่าแปลว่าถูกต้องหรือว่าแปลว่าตรงก็ท่านแปลว่าชอบทีนี้ความเห็นชอบในอริยมรรคเนี่ยอริยมรรคท่านจะจําแนกไว้ในบาลีพุทธวจนะเป็นอริยมรรคที่สมบูรณ์ แต่ทีนี้มนุษย์มันกระโดดก้าวกระโจนขนาดนั้นมันก็ไม่ได้หรอกพราะมก็มีสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบในระดับของศีลธรรมจัญญาตรงนี้ต้องเป็นบันไดต้องเป็นขอนรองเหยียบที่จะก้าวขึ้นสู่ขั้นบันไดเพราะในแต่กถาประปัญญสูทนีเป็นต้นนะหลายแห่ง จะพบหลายแห่งล่ะท่านจาแนกสัมมาทิติคือปัญญาเห็นชอบไว้บางทีก็ห้าบางทีก็หกนะก็แล้วแต่ประการแรกก็คือกรรมมัศกตาสัมมาทิจฐิปัญญาเห็นชอบในกฎของกรรมคือการทว์ทั้ทงหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอะไรไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นทีนี้พอเราเห็นชอบในกฎของกรรมอย่าลืมมันกรรมนำไปสู่ผลในอนาคตอนาคตใกลๆ เช่นว่าด่าคนอื่นแล้วถูกด่าเนี่ยเราจะเห็นว่าอนาคตมันกใ็ใกลๆหรือว่าประสบกับภัยอันตรายอาจจะไกลอไปนิดหนึ่งหรืออาจจะเป็นในขณะนั้นนี่จริงเราเห็นกันนะเราดูแล้วเมืองละครดูอะไรก็ได้อ่านหนังสือก็ได้อ่านซื้อพิมพ์ก็ไ ด, ไ ด, ได้เราก็เห็นกระบวนการควากรรมว่ากรรมมันไม่จบอะ การพูดการทำที่เป็นอกุศลมันเพิ่งเริ่มต้นแต่ผลมันจะยืดเยื้อเหมือนกับเราปลูกต้นมะปลูกปลูกมะม่วงแล้วก็ได้ต้นมะม่วงเนี่ยมันเริ่มต้นแต่ผลนี่มันอยู่ยืดเยื้อยาวนะมามะม่วงบางชนิดก็กินกันถึงลูกถึงหลานคุณปลูกปลูกไว้ รุ่นหลานก็ยังได้กินมะม่วงต้นนั้นอยู่นั้นก็แสดงว่ากรรมมันก็มีลักษณะอย่างนั้นมันก็สืบพบสืบชาติก็ทําให้ท่านเชื่อในกฎของสังสารวัฏ ด, ด้วยเพราะมันไปยึดโยงอยู่กับกรรมทีนี้พอเชื่อมันก็เชื่อตัวตัวกรรมเชื่อสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกรรม แล้วก็ผลที่นําไปสู่สังสารวัฏในรูปแบบต่างๆในขณะเดียวกันบางชีเรื่องสลับซับซ้อนเกินไปเกินสติปัญญาเราที่จะวินิจฉัยเราก็ต้องอาศัยความเห็นชอบในปัญญาการสัสรู้ของพระพุทธเจ้าจนสมาธินแนวระดับสินธรรมจัญญาถือว่าเป็นฐานมากนะเป็นฐานอมากๆ ก็วันก่อนฟังรายการแล้วก็ได้อ่านหนังสือพิมพ์ที่เขาที่หลอกส่งมาให้ด้วยนะนี่ท่านพู้หนึ่งเชิดชูยกย่องท่านนายกรัฐมนตรีว่าถ้าทำการปฏิรูปอะไรต่างๆสองสามอย่างเนี่ยสำเร็จนะควรจะได้นามว่า ควรจะผมจะเรียกว่าอภิอสิทธะคือที่จริงสิสิบที่เนี่ยสิบที่นี่มันแปลว่าสําเร็จอยู่แล้วจะแสดงว่าพยายามที่จะอธิบายภาษาบาลีทับบาลีสิทธะนั้นแปลว่าความต้องการสําเร็จแต่วความต้องการสําเร็จ หมายความมาต้องการอาท่านต้องการอะไรล่ะท่านเป็นพระโพธิสัตว์มันต้องมองตรงน้นสิ่งที่ท่านต้องการตลอดสังสารวัฏสี่แสนและสงไขกก่ก็ไม่แสนกลับนั้นคือพระโพธิญาณแล้วก็พราหมณ์แปดคนในร้อยแปดคนเนี่ยแปดคนหลังเนี่ยเขาเชื่อมั่นในตำนามาบุญเดียรสนะ ที่นี้มหาปริสละลักษณะนี้มันเชื่อมโยงกับกรร ม, มหมายความมาคนที่สร้างบารมีมาถึงจุดหนึ่งถึงจุดที่จะเป็นสองอย่างคือเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิจะเปลี่ยนแปลงที่พระส ร, ร, รีระก่อนมหมายความส ร, ร, รีระจะต้องเป็นมหาปุริสลลักษณะ ถ้ายังไม่เป็นมาหาบริษัลักษณะก็ต้องบำเพ็ญบารมีต่อไปแล้วก็สิ่งที่สืบเนื่องมาจากมาหาบริศัทลักษณะก็คือว่าประสูติออกมาแล้วเดินด้วยพระบาทได้เจ็ดเก้าทุกคนเห็นอย่างนั้นเห็นระยะสั้นสั้นเห็นอย่างนั้น ในรายการเนี่ยเข้าไปออกวิทยุก็มีโยมเขาแสดงความเห็นมากล่าวอ้างถึงด็อกเตอร์คนหนึ่งฟังชื่อไม่ค่อยชัดพูดถึงพระพุทธเจ้าว่าคนที่เกิดมาแล้วเดินได้มันก็เป็นควายแต่นั่นเองเราก็นึกเสียดายเนี่เสียดายว่าตัวเองเป็นด็อกเตอร์ในเรื่องหนึ่งแต่ ไปวิาพาควิจาร์ในเรื่องหนึ่งซึ่งคนละเหตุปลใจยกันเลยมันมีได้ในกรณีของโพธิสัตว์คือสัตว์ผู้ยังคล้องอยู่ในพระโพธิญาณคือยังไม่บรรลุโพธิญาณแล้วกำลังจะบรรลุเนี่ยชาติเดียวแต่นั่นแนงไม่ใช่ทุกชาติเราเดินด้วยประบาดในเจ็ดเก้าเนี่ยเป็นระยะสั้นๆทุกคนเห็นอย่างนั้น คนที่อยู่ตรงนั้นก็เห็นอย่างนั้นแล้วก็เชื่ออย่างนั้นแล้วก็ต่อกันมาพิสูจน์ได้ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีเนี่ยคนที่เห็นการประสูตรของพระราชคุ ม, มาเนี่ยตัวเองอยู่ไม่ทันก็สั่งเสียลูกหลานเอาไว้ว่าให้บวชโดยเสร็จแล้วก็ก็บวชกันนะนะแล้วก็นึกเสียดายว่าคือชีพขณะนี้มันไม่ควรเป็นชาวพุทธ ถึงเป็นก็ไม่ได้มันเพิ่มปริมาณเฉยๆหรอกคับวิพากวิจารณ์ได้แม้แต่ศาสดาตัวเองไม่ได้สํานึกว่าท่านเป็นมหาบุรุษท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่เรียกว่าอนียตเนยตโพธิสัตว์คือที่จะตัดสรุแน่แล้วแล้วเราก็ไปพูดอย่างกับคนทั่วไป พูดได้ยังไงอ่ะแต่พอเรียกอภิอภิสิทธะนี่รู้สึกว่ากระแสค่อนข้างมาก็มีการพูดมีการวิพากษ์วิจารณ์กันกว้างขวางเพราะอะไรว่าเป็นเรื่องแปลกที่ท่านนามว่าสิทธะเนี่ยแม้แต่ตอนสัสรูแล้วเนี่ยไม่มีใครก้ารเรียกนะฮะเพราะอะไรเพราะมันหมายถึงความไม่เขารูเขาเรียก นามส ก, กุลคือเรียกโคตของโปรง่งเรียกโคดมในเรียกแต่ว่าสิทธิฐานเนี่ยไม่มีใครกล้าเรียกถ้าเราเทียบเหมือนกับเราไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเราเรียกโดยพระนามเนี่ยเรียกไม่ได้มาขาดความเคารพหรือเข้าเฝ้าสังกัดเนียขนาดสังกัดแล้วเรียกพระนามเดิมของท่า น, นก็ไม่ได้ เป็นความไม่เหมาะไม่ควรของเราเองทีงนี้ในเรื่องเหล่านี้มันไปเชื่อมโยงกับการเชื่อในการศัตรูของพระพุทธเจ้าาะเคารพรรในพระพุทธเจ้าสมาธิิมันเลยออกมาเป็นเรื่องของกรรมการให้ทานมีผลการบูชามีผลพิติกรรมต่างๆมีผลการทำดีทำชั่วมีผล ก็สี่ประกาศแล้วเกี่ยวก็สังสารวัติโลกนี้มีโลกหน้ามีพ่อมีคุณแม่มีคุ ณ, คณสัตว์ีิตายไปแล้วเกิดมีแล้วก็ท่านที่รู้แจ้งโลกนี้แล้วสอนบุคคลอื่นรู้แจ้งตามนั่นนีงทีนี้สมาธทิฏฐิก็อย่างขยายออกไป ระดับต่อไปก็เป็นวิปัสสนาสมาธิเจนโอรมรับความจริงตามกฎไตรลักษณ์เนี่ยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนนตานี่มันครุมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้นอกจากโลกุกระออกจากพระอาหารหันต์นะเพราะว่านิพพานนี่เที่ยงเป็นสุขแล้วก็เป็นนันตา ผลสังขารทั้งตาบใดที่ยังเป็นสังขารก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนับตาเรายอมรับความจริงตรงนี้แล้วก็ตั้งหลักได้ตีนี้ถ้าเราตั้งหลักได้ประสบกับความเปลี่ยนแปลงแปรผันอะไรก็ก็ธรรมดาสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาของมันมันเป็นของมันอย่างนั้เดิม บนปัญญาเห็นชอบเนี่ยมันปัญญาเข้าประกบสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นวิเคราะห์วินิจฉัยตัดสินเป็นความต่อเนื่องของสติปัญญาและก็ความเพียรต่อไปก็เป็นอะไรบางทีก็บอกว่าชานาสมาธิทิก่อนแล้วก็มัคคัสมาธิธิารสมา ธ, ธิจนเป็นปัจเจเวขณะสมาชิ อันนี้ก็เรียกว่าสมาธิสิแต่เราลองสังเกตว่าพอเริ่มมีปริศนาธรรมารทิติมันก็ระดับค่อนข้างสูงไปแล้วเพราะการจเจริญ ม, มีปรสศนานี่ทำยากนะแม้โดยปริยัติเราจะรู้แต่โดยภาคปฏิบัติที่ให้มันเข้าถึงใจจริงๆนี่ยาก ประการเห็นใจรักมันไปสัมพันธ์กับการลดของตนามานาทิฏฐิหมายความพอเห็นปั๊บลดปุ๊บเลยหรือว่าลดก่อนแล้วก็เห็นเห็นก่อนหรือลดก็คือกันแหละ ก, ก็เรียกว่าไม่ก่อนไม่หลังกันทีนี้การการลดของตนามานาทิฏฐินี่ปัญหาภูเขาเลย อย่างปัญหาบ้านเราที่มัววุ่นวายอยู่เนี่ยทะเลาะวิวาทอะไรต่ออะไรกันมันก็เป็นเรื่องของตัญหามานาทิชิเพราะตัญหานั้นก็คือพวกอยากใหญ่อยากได้นะฮะอยากได้มานานั้นก็อยากใหญ่ทิชินั้นถามไมใจมันคับแคบ ก็เป็นอาการเขาโมหะในใจมันแคบไม่ได้นึกถึงเหตุถึงผลอะไรนี่ก็คือสัมมาทิฏฐิ ท, ที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นต้องฟังทลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีปรทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้